ลาเต้สอมงาต่างสอมนิหละทุมเบยีกบยกเบียกหนาดีเงินลุงดำเบยีกบยกเบียกหนาหงไปปีมีอินแค่ยะหงป่าต่อยะฮีฮีนาทุอมังมีแต่แค้มเป๋วกะหนแขดีฮอจีฮี